ที่เบ็ดเกี่ยวไว้พอปลากินเดือก็ติดเบ็ดคราวนี้ก็สุดแล้วแต่พลานเบ็ดจะจุดกระชากลากไปมัสยาที่ติดเบ็ดกับปูทุชนที่ติดในโรคเยียสุกจะต่างอะไรกัน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 ก็เปลอะเปลือนไปด้วยฝุ่นและเหงื่อใครต้องมาคอยชำระขัดสีอยู่เป็นเนืองนิดเว้นการชำระล้างและขัดสีแม้เพียงวันเดียวก็มีกลิ่นสาบเหม็นเป็นที่น่ารังเกียจแงง่ายแม้แห่งเจ้าของกายนั่นเองด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคย้าวึงตรัสสอนให้พวกเราพิจารณาเนืองๆซึ่งกายคตาสติภาวนา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 ร้อนหนักร้อนหนักอย่างนี้เรื่อยไป